ทีนี้เราลองมานึกถึงสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมในภาษาบาลีคือคำว่าธรรมะในภาษาสันสกฤตเขียนว่าธรมในภาษาไทยเรียกว่าธรรมเฉยๆสามเสียงนี้แม้จะออกเสียงต่างกันอย่างไรก็หมายถึงธรรมะซึ่งแปลว่าสิ่งเท่านั้นแหละสัพเพธรร ม, มา ก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงท่านต้องทำในใจให้จําแจ้งเล็งถึงสิ่งทั้งปวงกันก่อนว่าถ้าเราพูดเป็นเททยว่าสิ่งทั้งปวงแล้วมันหมายถึงอะไรบ้างมันต้องหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่ไม่ยกเว้นอะไรหมดจะเป็นเรื่องโลกหรือเรื่องธรรมะก็คือสิ่งทั้งปวงจะเป็นฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายจิตใจก็คือสิ่งทั้งปวง หรือถ้าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นอีกคือมากไปกว่าวัตถุและจิตใจคือมีสิ่งที่สามขึ้นมาอีกก็ยังเรียกว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในคำว่าธรรมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอาตมาจึงแนะให้ท่านทั้งหลายรู้จักสังเกตว่าตัวโลกคือสิ่งทางวัตถุกล่าวคือตัวโลกทั้งหมดในฝ่ายวัตถุธรรมนี้ประเภทหนึ่งก็คือธรรม แล้วตัวจิตใจที่จะรู้จักโลกทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือธรรมถ้าว่าใจกับโลกกระทบกันการกระทบนั้นก็เป็นธรรมแล้วผลของการกระทบนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวขึ้นก็ตามหรือเกิดเป็นสติปัญญารู้ยิ่งแจ่มแจ้งไปทางความเป็นจริงก็ตามมันก็เรียกว่าธรรมทั้งนั้น จะเกิดถูกหรือผิดดีหรือชั่วก็เรียกว่าธรรมทั้งนั้นทีนี้สติปัญญาก่อให้เกิดความรู้เป็นระบบต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็คือธรรมความรู้นั้นเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาการปฏิบัตินั้นก็คือธรรมรันปฏิบัติสิ่งต่างๆลงไปแล้ว ผลย่อมจะเกิดขึ้นสรุปแล้วเรียกว่ามรคนิพพานเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแม้ผลนี้ก็คือธรรมสรุปแล้วมันคือธรรมทั้งนั้นกินความมาตั้งแต่เปลือกแท้แทกล่าวคือโลกหรือวัตถุเรากินความจนถึงจิตใจถึงการกระทบระหว่างใจกับโลกถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทบเป็นความผิดความถูกความดีความชั่ว กระทั่งเป็นวิชาความรู้ชนิดที่ให้เกิดความรู้ทางธรรมะการปฏิบัติธรรมะและมรรคผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะนี่ถ้าเห็นหมดนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเห็นสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งทั้งปวงดังที่ว่ามานี่แหละไม่ควรยึดมั่นถือมั่นส่วนไหนเลยว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรา คือส่วนที่เป็นวัตถุหรือร่างกายนี้ก็ยึดถือไม่ได้ส่วนที่เป็นจิตเป็นใจก็ยิ่งยึดถือไม่ได้เพราะมันยิ่งเป็นมายายิ่งไปกว่าส่วนที่เป็นวัตถุเสียอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำตรัสว่าถ้าจะยึดถือตัวตนกันแล้วน่าจะยึดถือที่วัตถุดีกว่าเพราะมันยิ่งเปลี่ยนแปลงช้ากว่าไม่มายาหลอกลวงเหมือนจิตใจ อย่างที่เราเรียกกันว่านามธรรมนั้นจิตใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตอันเป็นตัวเดียวกันกับความว่างอย่างที่กล่าวเมื่อตะกี้แต่หมายถึงจิตที่เป็นความรู้สึกทางจิตหรือ mentallyity ต่างๆอันเป็นจิตที่คนธรรมดารู้จักที่นี้การกระทบระหว่างโลกกับจิตใจมีผลเป็นความรู้สึกต่างๆเป็นความรักความเกลียด ความโกรธเหล่านี้ก็คือธรรมะซึ่งก็ยังยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นมายาที่เกิดจากมายาที่เป็นไปฝ่ายกิเลสแล้วยิ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะไปยึดถือเข้าแม้ว่าเป็นฝ่ายสติปัญญาก็ยังสอนไม่ให้ยึดถือว่าเราว่าของเราเพราะว่าเป็นเพียงศักว่าธรรมชาติถ้าไปยึดแล้วจะเกิดความหลงผิดขึ้นมาใหม่ จะมีตัวเราและมีของเราคือมีเราผู้มีสติปัญญาและมีสติปัญญาของเราเป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เป็นความหนักเนื่องด้วยการยึดถือนั้นจะเกิดความรวนเรไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นทุกข์แม้มาถึงความรู้ก็ให้ถือว่าเป็นสักแต่ว่าความรู้อย่าเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่น จะเกิดอาการของศิลปตะปรามาต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุ น, นั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นก็เหมือนกันมันเป็นสักว่าการปฏิบัติเป็นความจริงของธรรมชาติทำลงไปอย่างไรผลย่อมเกิดขึ้นอย่างนั้นโดยสมส่วนกันเสมอจะไปเอามาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ เพราะถ้าเกิดไปยึดมั่นถือมั่นก็คือหลงผิดขึ้นมาอีกเป็นการสร้างตัวตนที่ลมหลองแ ง, งขึ้นมาอีกแล้วมันก็ต้องทุกข์เหมือนกับที่ไปยึดในเรื่องการ ม, มารมยึดในเรื่องผิดๆอย่างอื่นเหมือนกันพอมาถึงมรรคผลนิพพานนั่นก็คือธรรมะหรือธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเองหรือแม้ที่สุดตัวความว่างเองก็สักแต่ว่าธรรมชาติ พระนิพพานเองซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับความว่างก็เป็นศักด์แต่ว่าธรรมชาติถ้าไปยึดถือเข้าก็เป็นผิดนิพพานหรือผิดความว่างผิดตัวนิพพานเพราะว่านิพพานหรือว่าความว่างจริงไม่ใช่วิสัยที่จะถูกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวหรือว่าของตัวได้เป็นเงาก่าวด้ว่า ถ้ามีผู้ใดยึดมั่นลงไปที่นิพพานหรือความว่างย่อมจะผิดตัวความว่างหรือผิดตัวนิพพานทันทีนี่คือการบอกให้ทราบว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากธรรมะ